นาปฏิวัณฑิคตุีตอบไปนี้ไม่ต้องอัดคือ931หนึ่งวิคตุรีแสดงอารส่งแล้วห้ามสองวิคตุรีวิกลจริตสาิคตุรีต้นบัญญัติสิบคาบทที่10จบนักขวักที่สจบ